พระพุทธเจ้าของพวกเราผู้เป็นพระบรมศาสดาเป็นศรัทธาเทวมนุษย์สาสนงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะทรงเป็นผู้มีพระปัญญาที่ฉลาดแหลมคม ที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะสงสารไม่สามารถเห็นได้เป็นเพาะ อ, องเดียวเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ด้วยตนเอง ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นที่ไม่มีใครรู้เห็นได้ก็คือพระอริยสัจสีคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคทุกก็คือความทุกข์ใจสมุทยัยคือต้อนเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้แก่ตัณหาทั้งสาม คือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหานโรธคือการดับของความทุกข์ใจและมรคคือทางที่จะนำพาให้ไปสู่การดับของความทุกข์ใจนี่คือพระอริยสัจสี่ ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตัดสร่งจึงทําให้พระองค์สามารถดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในพระไถยของพระองค์ได้หมดสิน้นแล้วก็สามารถที่จะเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายนําเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพน้นออกจากกองทุกข แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เหตุของความทุกข์ใจก็คือสมุทัยได้แก่ตัณหาทั้งสามเหตุที่ทำให้เกิดตัณหาทั้งสามขึ้นมาก็คือโมหะอวิชชาโมหะก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบ อวิชชาก็คือความไม่รู้ในพระอริยสัจสเมื่อเกิดความเห็นผิดเป็นชอบก็ทำให้เกิดความอยากในสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของใครทั้งนั้นไม่ได้เป็นของใจไม่ได้เป็นของใครเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป โมหะก็คือมิจฉาทิฏฐินี่เองความเห็นผิดเป็นชอบไม่เห็นเห็นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นนั้นเห็นอนิจจงว่าเป็นนิจจังเห็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาพอเห็นแล้วก็จะเกิดความอยากให้สิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนั้น เป็นอนิจจังเป็นนิจจังคือให้ไม่ให้เป็นอนิจจังไม่ให้หมดไม่ให้สิ้นไม่ให้เปลี่ยนไปไม่ให้เสื่อมไปอยากให้เป็นของเราเป็นไปตามความต้องการของเราซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เมื่อไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา วิธีที่จะแก้ความทุกข์ใจก็คือต้องละความอยากหยุดความอยากและสิ่งที่จะทำให้หยุดความอยากได้ก็คือมรคมรค ก, ก็คือปัญญาคือสัมมาทิฏฐิคือต้องมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ถ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราก็จะไม่มีความอยากให้เป็นของเราจะไม่มีความอยากให้เขาอยู่ไปแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่จะมาแก้มิจฉาทิฏฐิที่เป็นความเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัวต้องมาสอนให้เห็นว่าโกงจักก็เป็นโกงจาก ดอกบัวก็เป็นดอกบัวสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราก็ต้องไม่เป็นของเราสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนี่คือต้องสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็จะละความอยากได้ ปล่อยวางได้ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาคือจะไม่ไปหลงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขจะเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ต้องไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราก็ไม่ใช่เป็นของเราสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ ือให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเราคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่มีความอยากให้เขาเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอเราไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะดับไป การที่จะมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีสัมมาสังกปรคือความคิดไปในทางที่ถูกคือปัญญานี้เองเรียกว่าสัมมาสังกปรคือการพิจารณาสภะาวธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องคิดอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นอะไรอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรต้องคิดทันทีว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคิดทันก็จะละความอยากได้ถ้าคิดไม่ทันความอยากออกมาก่อนก็จะเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมา การที่จะมีปัญญาสามารถพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างรวดเร็วทันการต่อเหตุการณ์ก็จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้ามีสมาธิแล้วใจจะรู้ทันเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมา ก็จะสามารถใช้ปัญญาคือความคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตนี้มาระงับได้และการที่จะมีสมาธิขึ้นมาได้ก็จําเป็นจะต้องมีสติก่อนเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะทําให้ใจสงบเป็นสมาธิพอใจสงบเป็นสมาธิ ใจก็มีความสุขมีความนิ่งเวลาเกิดความอยากใจก็จะกระเพิ่มขึ้นมาร้อนขึ้นมาความสุขที่ได้ก็จะความสุขที่มีอยู่ก็จะหายไปถ้ามีสติมีสมาธิเฝ้าดูใจอยู่ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจ ว่าเปลี่ยนจากความสงบไปเป็นไปสู่ความไม่สงบเปลี่ยนไปจากความเย็นไปสู่ความร้อนด้วยอำนาจของความอยากพอเห็นก็จะได้ใช้ปัญญาคือการพิจารณาสิ่งที่อยากได้ทันทีว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าไม่เที่ยง เพราะว่าเป็นอนัตตาเวลาเขาดับไปก็ห้ามเขาไม่ได้หรือถ้าในกรณีที่เก่อความอยากในกามอารมณ์ก็ต้องเห็นอสุภะขึ้นมาทันทีต้องเห็นว่าบุคคลที่เราอยากจะร่วมเสพกามด้วยนั้นเป็นอสุภะ ไม่ใช่เป็นสุภาสุภานี้เป็นส่วนที่ปรากฏให้เห็นแต่อสุภาษนี้เป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้สุภาคือสุภาก็คือความสวยงามน่าดูน่าชมอสุภาก็คือความไม่สวยงามไม่น่าดูไม่น่าชมมีอยู่ในร่างกายของคนคนเดียวกันนี่แหละ แต่สุภาพักจะเป็นผู้ปรากฏออกมาในด้านนอกแต่อสุภาพนี้เป็นผู้อยู่ในด้านในถ้ามองด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็นอสุภาพต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการพิจารณาสุภานี้เองต้องพิจารณาอยู่เรื่อย จนจำได้จนฝังอยู่ในใจเวลาที่เห็นร่างกายที่สวยงามน่าดูน่าชมก็จะมีอสุภะเข้ามาแสดงให้เห็นทันทีว่าไม่ใช่เป็นสุภะเพียงอย่างเดียวเป็นอสุภะด้วย เช่นร่างกายจะสวยงามไปตลอดหรือหรือว่าร่างกายนี้ก็ต้องแก่เจ็บตายไปเวลาที่แก่เจ็บตายนี้สวยหรือไม่สวยน่าดูหรือไม่น่าดูถ้าเราพิจารณาส่วนที่ไม่สวยไม่น่าดูจนฝังอยู่ในใจพอเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมา เราก็จะมีอสุภะมาแก้ได้มีสัมมาทิฏฐิคือความไม่สวยไม่งามมาแก้มิจฉาทิฏฐิคือความสวยความงามได้นี่ก็คือเรื่องของอริยศัสตร์ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสโรเวลา จะดับความทุกข์ต้องละความอยากจะละความอยากก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีปัญญาปัญญาก็ต้องมีสมาธิถึงจะสามารถพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะได้ถ้าไม่มีสมาธิจิตจะต่อต้านเพราะจิตมี กิเลสตัณหาที่ไม่ชอบการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ชอบพิจารณาอสุภถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้เมื่อไม่เจริญปัญญาก็จะไม่เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็น อสุภร่างกายที่สวยที่งามนี้เป็นอสุภะจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิก่อนสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างความสงบให้แก่ใจเพื่อใจจะได้ไม่ต่อต้านการพิจารณาทางปัญญาการที่จะทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติเพราะสติเป็นเหตุ ที่ทำให้ใจสงบถ้าไม่มีสติใจก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดไปทั้งวันทั้งคืนได้ตลอดเวลาถ้ามีการคิดอยู่ก็จะไม่มีความสงบไม่มีความนิ่งและความคิดก็จะไม่คิดไปในทางอนิจจงทุกขังอนัตตาจะคิดไปในทางนิจจงสุขขังอัตตา จะคิดไปในทางสุภะความสวยความงามก็จะทำให้เกิดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากหรือสูญเสียสิ่งที่ได้สิ่งที่รับไปก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจิตใจของผู้ที่ ยังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้เ จ, เจริญสติยังไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้เมื่อไม่เจริญปัญญาก็จะไม่มีสัมมาทิฏฐิที่จะมาคอยดับมิจฉาทิฏฐิที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมา จิตของผู้ที่ไม่ได้ภาวนาจึงตกอยู่ในกองทุกข์ต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆต้องมีทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับของภายนอกก็คือทุกข์กับลาบยศสารเสรินทุกข์กับลาบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพราะของพวกนี้นั้นเป็นอนิจจังนั่นเองเป็นอนัตตา มีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาห้ามเขาไม่ได้ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวเงินทองมีมากมีน้อยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงหรือพัดพากจากกันยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆ จะสูงจะต่ำมากน้อยเพียงไรก็ต้องมีวันสิ้นสุดดงการสรรเสริญเยืนยอก็ต้องมีวันสิ้นสุดดงต้องมีนินทากาเลสลับกันไปความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะก็เช่นเดียวกันได้สัมผัสแล้วก็หมดไปได้ดูอะไรก็หมดไปได้ฟังอะไรก็หมดไป ได้ลิ้มรสก็หมดไปได้ดมกลิ่นก็หมดไปได้สัมผัสอะไรผ่านทางร่างกายสัมผัสแล้วก็ผ่านไปดับไปความสุขที่เกิดขึ้นก็หายไปหมดไปปล่อยให้เหลือแต่ความอยากที่จะสัมผัสอยากจะเส่ิปก็ต้องเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมากเกิดความกเกิดความ เอัดใจเกิดความอืมเกิดความไม่สงบต้องทําตามสนองตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆก็จะมีแต่ความทุกข์ไปเรื่อยๆกับการที่ไปมีความอยากกับลาบยศสารเสริญอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความอยากกับร่างกายของตนอยากให้ร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่เร็วจนเกินไปไม่ตายก่อนเวลาอันควรถ้าไม่แก่เลยได้ยิ่งดีถ้าไม่ตายเลยได้ยิ่งดีถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ ยิ่งดีแต่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันร่างกายในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลาเกิดขึ้นมาถ้ามีความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจ ขึ้นมาแล้วหลังจากที่ตายไปแล้วก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเพราะยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอยู่ก็จําเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายการจะมีตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องเกิดใหม่เกิดเกิดมาจะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ มีตาหูจมูกลิ่นกายเหมือนกันถ้าเกิดเป็นเกิดเป็นเดรัจฉานคือถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานก็เป็นเพราะว่าได้ทําบาปทํากรรมเอาไว้ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปใช้บาปกรรมด้วยการได้เกิดเป็นเดรัจฉานก่อนแล้วพอ กรรมที่ได้ทำไว้ที่ดึงให้ลงไปสู่การไปเกิดเดาชานหมดกำลังลงก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาสร้างกรรมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาใหม่นี่ก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญจิตตภาวนาไม่ได้เจริญสติ ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิเพื่อที่จะมาละโมหะคือมิจฉาทิฏฐิมาละอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นในอริยาาสัจสีดังนั้นถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบาเพ็ญ จิตตะพวนาคือการเจริญสติสมาธิปัญญานี่เองและการที่จะบำเพ็ญจิตตะพวนาได้ก็จำเป็นจะต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนศีลก็คือศีลแปดสำหรับผู้ครองเรือนหรือศีลสอีของผู้บวชเป็นพระภิกษุ เพราะศีลจะเป็นเหมือนกำแพงกัน้นไม่ให้ใจนั้นไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเสียเวลากับการทำกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาจึงต้องมีศีลเป็นกาแพงกัน้นไม่ให้ใจไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อจะได้ใช้สติดึงใจให้เข้าสู่สมาธิให้ได้ให้เข้าสู่ความสงบดังนั้นผู้ที่จะบำเพ็ญจิตติภาวนาได้จำเป็นที่จะต้องรักษาศีลของนักบวชให้ได้ศีลห้านี้ไม่ถือว่าเป็นศีลของนักบวชศีลห้านี้ถือว่าเป็นศีลของนักบุญนักบุญนี้ยังไม่ได้ ต้องการที่จะเข้าสู่การเจริญจิตตภาวนานักบุญนี้อยากจะทําทานเพราะว่ามีกําลังความสามารถที่จะทําได้เพียงเท่านี้คือสามารถรักษาศีลห้าและทําทานได้แต่ยังไม่มีกําลังที่จะรักษาศีลแปดได้ก็จะไม่สามารถที่เจริญ จิตตะภาวนาได้ไม่สามารถเข้าไปสู่พระอริยสัจสี่ได้เพื่อที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้เพื่อที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นักบุญจึงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆคือทำบุญทำทานรักษาศีลห้า จิตก็อยู่ในฐานะของเทวดาของสวรรค์ชั้นเทวดาเวลาตายไปก็จะไปรับผลของการเป็นนักบุญได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วพอหมดบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทําทานมารักษาศีลใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระดับของนักบุญถ้าอยากที่จะขยับ ขึ้นไปสูงกว่าระดับของนักบุญก็ต้องเป็นระดับของนักบวชระดับของนักบวชก็มีอยู่สองระดับระดับที่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดและระดับที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเข้าสู่การเจริญจิตภาวนาขั้นแรกได้ก็คือขั้นสมถภาวนาก็จะได้เป็น นักบวชที่จะได้ไปสวรรค์ชั้นพรมแต่เป็นสวรรค์ที่ยังต้องมีวันเสื่อมที่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าอยากจะได้สวรรค์ชั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปก็ต้องเจริญสมต้องเจริญจิตภาวนาขั้นที่สอง ที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาที่จำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาคือถ้าได้สมาธิแล้วไม่เจริญปัญญาจิตก็จะติดอยู่ที่ขั้นสมาธิผลของขั้นสมาธิก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมเป็นสวรรค์ที่ยังมีการเสื่อมจิตก็จะเสื่อม เวลาที่กําลังของสมาธิหมดไปก็จะเสื่อมลงจากสวรรค์ชั้นพรมหม ล, ลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วพอบุญที่ได้ทําจากสวรรค์ที่ส่งให้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพหมดไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาบําเพ็ญใหม่เป็นนักบุญหรือเป็นนักบวชขั้นแรกต่อไป ก็จะบำเพ็ญอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะการที่จะเข้าสู่การบำเพ็ญขั้นที่สองขั้นจิตจิตตภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาได้นี้จําเป็นที่จะต้องรอให้มีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้นําทางไปซะก่อนเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา จะไม่มีใครรู้จากการเจริญภาวนาขั้นที่สองนี้ได้คือขั้นวิปัสนาภาวนามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงรู้จากวิธีเจริญวิปัสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฐิขึ้นมาเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เพื่อให้เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกขังนี้ก็คือทุกในอริยส Claudia ัจสี่นี่เองเห็นนั่นที่เห็นอนิจนจงังก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นทุกขังก็เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นอนัตตาก็คือเห็นมรรคนี่เอง มักจะเป็นผู้ที่จะชี้ให้เห็นว่าไม่มีตัวตนในทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นสภาวธรรมเป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตนนี่คือขั้นที่สองที่เป็นขั้นที่จะไม่มีวันเสื่อมเป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อมมีแต่จะ เจริญขึ้นไปเป็นขั้นขั้นไปมีอยู่สี่ขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าสกิรดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีและขั้นที่สี่เรียกว่าอรหันนี่คือสวรรค์ชั้นสี่ชั้นที่จะไม่มีวันเสื่อมได้ชั้นไหนแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมา ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่สวรรค์ทั้งสี่ชั้นนี้คือผู้ที่ยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรเห็นอริยาสาัจสก็ยังจะเรียกว่าเป็นปุตุชนอยู่ปุตุชนก็คือผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดคือผู้ที่ได้ทำทาน ผู้ที่ได้รักษาศีลห้าแล้วก็ขยับมารักษาศีลแปแล้วก็มาภาวนาส ม, มถภ า, าวนาได้สมาธิได้ความสงบถ้าได้เพียงเท่านี้เรียกว่ายัางเป็นปุตุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกไปไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้าได้เจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วได้บรรลุถึงพระอริยธรรมขั้นที่หนึ่งคือได้เป็นพระโสดาบันก็จะไม่ได้เป็นปุถุชนแล้วเรียกว่าเป็นพระอริยะบุคคลแล้วขั้นที่หนึ่งพระอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งนี้ก็จะไม่มีวันกลับไปเป็นปุถุชนอีกต่อไปและการจะกลับมาเกิด เป็นมนุษย์ก็จะมีไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถที่จะบรรลุธทำขั้นสูงขึ้นไปต่อไปได้ขั้นสูงขั้นที่สองขั้นที่สองเขาเรียกว่าขั้นสกิดาคามีผู้ที่ได้ขั้นนี้แล้วก็จะไม่เสื่อมลงไปเป็นพระโสดาบันแล้วพบชาติที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหลืออยู่เพียงพบชาติเดียวเป็นอย่างมาก ก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้พอได้ขึ้นสู่ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีจิตก็จะไม่ล่วงลงมาสู่ขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองพระอนาคามีนี้ก็จะเป็นพระอนาคามีไปตลอดจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอนาคามีนี้ถ้าเป็นมนุษย์แล้วตายไปจิตก็จะไปอยู่บนสวรรค์ ชั้นพรหมโลกชั้นสุทาวาสมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไปถ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีมาเป็นพระสกิดาคามีมาเป็นพระโสดาบันมาเป็นปุถุชน จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือทำขั้นสูงสุดของผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในโลกนี้<ๆ>ก็จะไม่มีใครสามารถก้าวเข้าสู่โล ก, กุตรธรรมนี้ได้เลย ก็จะได้แค่ขั้นโลกิยะธรรมขั้นสูงสุดก็คือขั้นพรหมโลกลองลงมาก็ขั้นเทวโลกแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาก็จะมีการสอนให้เจริญปัญญาให้เจริญวิปัสนาภาวนาคือให้พิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะ ถ้ามีการพิจารณาอยู่เนืองๆความจริงเหล่านี้ก็จะฝังอยู่ในใจแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่จะไว้ทำลายความหลงที่จะมาคอยสร้างความอยากให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้สร้างความทุกข์ให้แก่ใจถ้ามีปัญญาฝังอยู่ในใจแล้วเวลาเกิดตัณหาความอยากเพราะ มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นสุขปัญญาก็จะมาเตือนทันทีว่ามันไม่สุขมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันสุขก็สุขเดียวเดียวเป็นสุขปลอมสุขแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาที่อยากจะมีคู่ครองถ้าไม่มองว่ามีเขาแล้วเราจะมีความสุข ก็จะเห็นเพียงแต่สุขในเบื้องต้นเช่นเวลาที่จัดงานเลี้ยงแต่งงานกันทุกคนมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสแต่พออยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็เกิดปัญหาต่างๆตามมาความสุขที่ได้มานั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าทนไม่ไหวก็ต้องถึงกับย่าร้างกันไป นี่คืออ น, นิจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้จะไปสั่งให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนถาวรให้รักกันไปจนวันตายนี่เป็นไปไม่ได้ถ้ามีปัญญาฝังอยู่ในใจแล้วมันจะสามารถที่จะแก้มิจฉาทิฏฐิได้ความเห็นผิดเป็นชอบได้ความเห็น สิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงได้ความเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขได้ความเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราว่าเป็นตัวเราของเราได้ต้องมีปัญญาฝังอยู่ในใจการจะฝังปัญญาเข้าสู่ใจได้ก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เข้าไปพักจิตในสมาธิเท่านั้น ที่จะไม่มีการพิจารณาการพิจารณานี้ต้องมีรู้จักประมาณถ้าพิจารณาเกินเหตุเกินผลเกินกำลังก็จะไม่เกิดผลประโยชน์จะไม่เป็นปัญญาจะกลายเป็นการพิจารณาแบบไม่ตรงความเป็นจริงหรือจะจะทะเลาถลายไปพิจารณาเรื่องอื่นแทน ไม่ได้พิจารณาอยู่ในเรื่องของใจรักถ้าใจถ้าการพิจารณาเริ่มออกนอกรูนอกทางก็ควรที่จะหยุดพิจารณาแล้วดึงจิตให้กลับเข้าสู่สมาธิทำจิตให้สงบให้สบายให้นิ่งให้เย็นให้มีพลังที่จะตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่ถูกกำลังของ กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆมาดึงให้พิจารณาออกนอกลูก่นอกทางพอออกจากสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาปัญญาต่อไปขั้นวิปัสสนานี้เป็นขั้นที่จะต้องมีการสลับการทำงานระหว่างการพักจิตในสมาธิกับการออกพิจารณาทางปัญญาจะสลับกันทำงาน เวลาพักอยู่ในสมาธิก็จะไม่พิจารณาจะควบคุมจิตให้สงบให้นิ่งไม่ให้คิดปรุงแต่งให้เข้าสู่อุเบกขาให้เข้าสู่ความสงบนิ่งสู่ความสบายสู่ความสุขพอพักได้เต็มที่แล้วพอถอนออกมาก็จะดึงจิตให้ไปพิจารณาทางตรลักษณทางอสุภะทันทีอย่าปล่อยให้ไปพิจารณาทางอันนี้ ทางนิจจังสุขขังอัตตาทางสุภระอย่าปล่อยให้จิตเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าสวยว่างามอย่าปล่อยให้เห็นว er? ่าน่ารักน่าได้อย่าปล่อยให้เห็นว่าเป็นความสุขอย่าปล่อยให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่แน่วแน่มั่นคงถาวรอย่าปล่อยให้ไปเห็นว่าเป็นของเราเป็นอันขาด ถ้าปล่อยให้เห็นแล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากได้ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจตั้งแต่เริ่มมีความอยากแล้วก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าไม่หยุดความอยากเพราะความอยากจะมีออกมาต่อเป็นเหมือนลูกโซ่ได้แล้วก็อยากจะให้อยู่กับไปอยู่ไปนานๆพออยู่ไม่ได้พอหมดไปก็อยากจะหาหาสิ่งอื่นใหม่มาทดแทน ก็จะอยากไปแล้วก็จะทุกไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของวิตัสนาภาวนาที่จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อมีพระมีการตัดสรุของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีการตัดสรุก็เป็นยุคที่ปราศ จ, จากปัญญานั่นเองเป็นยุคมืด ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี้จะไม่มีแสงสว่างโดยเฉพาะคืนที่ไม่มีแสงเดือนจะไปไหนจะทาอะไรนี้จะยากลำบากถ้าไม่มีไฟฉายไม่มีไฟชั้นใดยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับยุคมืดเหมือนตอนเวลากลางคืน เป็นยุคที่ไม่มีใครเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยุคที่ไม่มีใครเห็นอริยสัจสี่เมื่อไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นอริยสัจสี่ก็จะถูกโมหะความหลงหลอกให้เห็นตรงกันข้ามหลอกให้เห็นว่าการทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขการได้สิ่งที่อยากได้มาจะเกิดความสุขจะมีความสุข เพราะไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มานี้ไม่เที่ยงเวลาที่เขาเปลี่ยนไปทุกใจก็จําไม่ได้เช่นเวลาได้อะไรมาแล้วความสุขที่ได้มานั้นจางหายไปแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์กับมองไม่เห็นพอมันหมดไปก็หามาใหม่เคยไปดูไปดูอะไร ได้ความสุขจากสิ่งที่ดูพอมันหมดไปก็อยากจะไปดูใหม่ไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นการมันเป็นความทุกข์เพราะเวลาที่เกิดความอยากแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ถ้าให้อยู่เฉยๆก็ทุกข์ทรมานใจยังต้องไปทาตามความอยากเพื่อที่จะได้ระบายความทุกข์ทรมานใจนั้นหายให้หายไป แต่มันก็เป็นการระบายเพียงชั่วคราวเท่านั้นพอได้ทําตามความอยากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปชั่วคราวแล้วพอสิ่งที่ความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากมันหมดไปก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เกิดความทรมานใจขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปทําตามความอยากใหม่ ไม่เคยใช้ปัญญาพิจารณาเลยว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขไม่รู้ว่าการไม่ทำตามความอยากนี้ต่างหากที่จะทำให้ความทุกข์ความไม่สบายใจนั้นหายไปแต่ในช่วงที่ต่อสู้กับความอยากนั้นมันจะเป็นช่วงที่ทรมานใจผู้ที่ไม่มีพลังใจไม่มีสมาธินี้จะสู้ไม่ไหว ถ้ามีสมาธิเรารู้ว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขก็จะสู้กับความอยากนี้ทนกับความอยากนี้ไปและในที่สุดความอยากนี้มันก็จะอ่อนกำลังและหมดกำลังไปเองถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากนี่แหละคือ การตัดสร้ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกาบุุษเป็นหนึ่งเดียวในโลกของวัตฏะของการเวียนว่ายตายเกิดในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดนี้ น, นานๆจะมีบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งการที่จะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีต่างๆมาอย่างโชคโชน นับเป็นอสงไขเป็นเวลาอันยาวนานอย่างยิ่งบา ร, รมีที่ต้องบำเพ็ญก็มีสิบประการคือเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีนขิขธรรมบาบ ร, รมีอุเบกขาบารมีปัญญาบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมี จัจะบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีและขันติบา ร, รมีถึงจะสามารถเป็นหนึ่งในบรรดาของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารได้นานๆานจะมีบุคคลอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งผู้ใดที่ได้มาพบกับบุคคลคือพระพุทธเจ้า ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีลาบอันยิ่งใหญ่มหาลาบเพราะนานๆานจะได้เจอบุคคลอย่างนี้สักครั้งหนึ่งแล้วถ้าได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนของท่านแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อแล้วสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ ยากที่จะเกิดขึ้นได้ในแต่ละครั้งก็จะสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตัวกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจพวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีโชควาสนามีมาหาลาภกันเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเป็นเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงที่พวกเราสามารถที่จะรับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้แก่พวกเราได้ถ้าพวกเรามีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่มีวิวริยะความอุตสาหะ ที่ไม่ไม่ย่อหยน่นไม่ท้อถอยมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคําสอนไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นแัะเพิ่มให้มากขึ้นไปตามลําดับปฏิบัติตามกําลังเท่าที่มีอยู่ก่อนแล้วพอปฏิบัติไปแล้วก็จะเกิดมีกําลังเพิ่มมากขึ้นเวลาที่ได้รับผลจากการปฏิบัติแล้วก็จะสามารถปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถปฏิบัติได้เต็มที่ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยก็ต้องอาศัยการขยับขึ้นไปจากระดับที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นตามที่ตรงไหนเราก็ปฏิบัติไปแล้วพอปฏิบัติแล้ว ก็จะได้กำลังจิตกำลังใจเวลาได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะทำให้สามารถเพิ่มการปฏิบัติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปได้ตามลำดับแล้วก็จะก้าวขึ้นไปตามขั้นตามตอนของมันไปข้ามขึ้นจากขั้นทานไปสู่ขั้นศีลห้าจากขั้นศีลห้าก็ขึ้นสู่ขั้นศีล8ขั้นศีลส2 7ส เข้าสู่ขั้นเจริญสมถภาวนาจากสมถภาวนาก็เข้าสู่ขั้นเจริญวิปัสนาภาวนาพอได้ภาวนาขั้นวิปัสนาเต็มที่เต็มร้อยก็จะเกิดสัมมาทิฐิเต็มร้อยก็จะสามารถลบล้างมิจฉาทิฐิที่คอยหลอกล่อให้ใจเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอ ทำลายตัวที่หลอกล่อให้ใจมีความอยากได้ความอยากต่างๆก็จะหายไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะเป็นป a มังสุขขังมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือประโยชน์สุขที่ พวกเราจะสามารถรับจากพระพุทธศาสนาได้ถ้าพวกเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่มีศรัทธาที่แน่วแน่มีความจริงใจต่อาการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่วแน่มีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่แน่วแน่มีขันติความอดทนอดกลั้นที่ หนักแน่นรับรองได้ว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและจะก้าวไปตามลำดับของการภาคเพียรจนถึงทำขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงมีความมั่นใจว่า เพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่เราปรารถนากันเป็นทางที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้อย่างแน่นอนแล้วรับรองได้ว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติไปจนถึง จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผร อ, อยะทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสัพเเอปุเรนโตสังกะปาจันโตปนาราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัชานโตสัพพารโควินัสตุ มาเตผวะตวันตรายูสุขีทีคายยโกผวะอภิวาธนศีริสะนิจังวุธาปะจายโนจตารโธรมมวะทานติอายุวันโสุขังพาลาง ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดที่ต้องการอยากจะถามปัญหาขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินทั้งเสียงคำถามและคำตอบเชิญเปิดเสียงกันกราบนรศสการพระอาจารย์ค่ะยมมี คำถามซึ่งก็คิดว่าไม่ไม่ยากมากนะคะที่สําหรับคนทั่วไปเขาจะตอบแต่โยมก็ยังไม่กระจ่างคือการเป็นผู้หญิงเนี่ยการบวชการถือศีลแปดอยู่ในบ้านของเรากับการไปบวชเนค ข, ขมะเป็นครั้งคราวถือศีลแปดกับการบวชชีที่ไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในวัดแล้วก็ปลงผมเนะะี่ยค่ะทั้งสามอย่างเนี่ยอันนี้2ต่างกันไหมคะต่างกันตรงที่ความเข้มข้นของการปฏิบัติ ไม่ได้ต่างกันอยู่ที่ในลักษณะคือลักษณะก็เหมือนกันคือถือศีลแปดเหมือนกันภาวนาเหมือนกัน mm. เพียงแต่ว่าความเข้มข้นของการปฏิบัตินี้อาจจะต่างกัน mm. เช่นถ้าเรานุ่งขาวห่มขาวโกนศีษะกับไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวกับไม่ได้โกนศีรษะเพียงแต่อาจจะแต่งกายธรรมดาเราก็ยังอาจจะ มีช่องที่จะเล็ดลอดออกไปสู่ทางทางกิเลสตัณหาได้มากกว่าท่กว่าที่เราจะาโกนศรีรษะแล้วก็บวชชีอยู่ในวัดอันนี้มันต่างกันที่ความเข้มข้นของการปฏิบัติแต่ถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติเหมือนกับผู้ที่อยู่ในวัดได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในบ้าน รักษาศีลมาความมีความเข้มงวดกวดขันต่อาการปฏิบัติคือไม่ปล่อยจิตให้ออกไปทางกามตัญหาไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยอันนี้ก็ ม, มันมันก็ไม่ต่างกันถึงบอกว่าที่จะต่างกันต่างกันตรงที่ความเข้มข้นของการปฏิบัติไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามมันจะผลมันอยู่ที่การปฏิบัติคือเหตุ เหตุของผลที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่เข้มข้นผลก็ไม่เข้มข้นถ้าปฏิบัติเข้มข้นผลก็เข้มข้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามในการปฏิบัตินี้ยเราก็ต้องทำจิตตภาวนาถ้าเราทำเองอยู่กับที่พักอาศัยนะคะเราก็จะขาดครูบาอาจารย์ที่จะชี้แนะนั่นก็มีสว่วน การมีครูบาอาจารย์ที่คอยให้คำคำรู้ความแนะนำของการปฏิบัติหรือคอยเตือนว่าเดินไปไม่ถูกทางแล้วเพื่อจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่เสียเวลาการปฏิบัตินี้จาเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปถ้าอยู่ใกล้ได้ก็ดีเพราะจะได้ทันท่วงทีเวลาที่ทำอะไรผิดพลาดไป เดินผิดทางไปก็จะได้มีผู้มาคอยเตือนคอยสอนคอยบอกถ้าอยู่ห่างไกลกันก็อาจจะรู้ไม่ทันตามมาแก้ให้ไม่ทันอาจจะไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็ได้แต่ถ้าเราพอที่จะนำคำสอนของท่านมาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้ท่านเลย เราก็ยังถือว่ามีอาจารย์อยู่ใกล้ตัวเราเช่นถ้าเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันก็จะมีธรรมะของท่านคอยสอนคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆังนั้นก็สรุปก็คือถ้าได้อยู่ใกล้ท่านก็ดีแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ท่านก็ต้องเอาท่านมาอยู่ใกล้เราก็ต้องระลึกถึงคำสอนของท่านอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเรามีปัญหาเราไม่แน่ใจ เราก็ควรที่จะไปหาท่านเพื่อไปกราบถามปัญหาของเราอีกคาถามเดียวนะคะท่านปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงมีการบวชเป็นภิกษุณีอการเป็นภิกษุณีกับการบวชศีลแปดหรือทุบศีลเนี่ยมันต่างกันมากขนาดไหนคะจำเป็นไม่ต้องไปเป็นภิกษุณีค่ะก็ต่างกันตรงที่ศีลที่ข้อห้ามข้อห้ามของภิกษุณีก็มีสามร้อยกว่าข้อ สามร้อยข้อในบรรดาสามร้อยข้อนี้เป็นข้อห้ามปีกย่อยคือเพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติของภิกษุณีให้ตั้งอยู่ในความสวยงามให้เป็นที่เคารพเลื่อมสายศรัทธาต่อผู้ที่คอยสนับสนุนแต่ศีลหลักๆข้อที่เป็นข้อ ข้อที่ร้ายแรงนี้ก็เท่ากันไม่ต่างกันดังนั้นจะบวชในรูปแบบไหนก็ได้เพราะนั่นเป็นอยู่ในขั้นของศีลเท่านั้นขั้นที่จะเป็นตัวกอบโกยธรรมให้นั้นไม่ได้อยู่ที่ขั้นศีลขั้นที่จะกอบโกยธรรมให้อยู่ขั้นภาวนานึงถึงแม้ว่าจะรักษาศีลให้ได้กี่ข้อก็ตามแต่ไม่ภาวนา ก็ซือคนรักษาศีลแค่ห้าข้อไม่ได้แล้วก็ภาวนาจนทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถที่จะละความอยากต่างๆได้อันนั้นเป็นตัวสำคัญกว่าตัวสำคัญจริงๆก็อยู่ที่การภาวนาศีลนี้เป็นเพลนเหมือนอย่างที่ได้แสดงไว้เป็นเหมือนกําแพงรั้วกั้นไม่ให้ใจออกไปทะเลทลาย ไปทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจถ้าไม่มีรู้ว่ามันก็จะถละถายถลออกไปได้ถ้ามีรู้ว่ามันก็ออกไปไม่ได้เช่นเราถือศีลแปดนี่เราก็รู้แล้วว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีศีลแปดเราถือศีลห้าเราก็ยังไปเที่ยวไปทำอะไรได้อยู่นี่เป็นหน้าที่ของศีลเพียงแต่กั้นไม่ให้ใจออกนอกรูก้นอกทาง ตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิความสงบสู่ความสุขสู่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องอยู่ที่การภาวนาอยู่ที่การจเจริญสติจเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเมื่อใจสงบก็จะสามารถสอนใจให้พิจารณาไปในทางปัญญาได้เมื่อเห็นเมื่อมีปัญญาก็จะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็สามารถที่จะ ละความอยากต่างๆที่เกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบกปได้ดังนั้นตัวธรรมะที่สำคัญจริ ง, รงๆนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวศีลเพียงแต่ว่าตัวศีลนี่จะสนับสนุนให้ได้เกิดการภาวนาอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีศีลเดี๋ยวก็ทะเลทลายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใครมาชวนให้ไปไหนมาไหนไปทําอะไรก็ไปได้ ถึงจะเป็นกุศลแต่มันก็มันเป็นบุญขั้นยากที่จะมาทำลายบุญขั้นละเอียดเช่นเราภาวนาอยู่แล้วเพื่อนก็มาชวนไปร่วมถวายผ้าปา่าถวายผ้ากฐถินไป้สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เราก็ไปกับเขาเราก็จะไม่ได้ภาวนาช่วงนั้นแต่ถ้าเราถือศีลแปดนี้เราบอกเราไปไม่ได้เรา มันต้องเก็บตัวสำมรวมตาหูจมูกนิ้งกายเิ็นซีสังวรนะอย่างนี้มันก็จำเป็นที่จะต้องมีศีลช่วยกันไว้อีกทีหนึ่งค่บพ่อคุณคะท่านรี่นมาสการครับอาจารย์อยากสอบถามว่ากัผมมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่ง อ, อ, อยากจะทราบว่าเวลาที่คนที่ไม่ได้ ปฏิบัติธรรมกับคนที่ฝึกสมาธิไว้อย่างดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุต้องอต้องเสียชีวิตโดยกระทันหันเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าภพภูมิที่จะไปเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์คุณมาถึงสมาธิกับปัญญาใช่ไหมที่ออว่าปฏิบัติห ม, มายถึงผู้ที่ปฏิบัติได้สมาธิแล้วครับผมกับใครกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเลยครับผมก็อย่างที่แสดงไว้ว่า ผลของการกระทำของเรานี้มันก็มีต่างกันไปถ้าทำทานรักษาศีลห้าก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าภาวนาทำใจให้สงบได้ก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมถ้าไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลก็จะไปสู่อบายไม่ว่าจะตายแบบไหนใจมันเป็นอยู่แล้ว ทุกครั้งที่เราทำนี้เราเท่ากับเราสร้างสวรรค์สร้างอ ER บายขึ้นมาในใจแล้วพอตายไปจะตายแบบกระทันหันตายแบบไม่กระทันหั น, นี้มันไม่ไปเปลี่ยนแปลงสภาวะของจิตดวงนั้นแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะของจิตดวงนั้นก็คือการกระทาสมมติว่าตอนนี้จิตเรายังอยู่ในระดับอบายอยู่เช่นองคุลิมานตอนก่อนที่พบพระพุทธเจ้านี่กาลังตามฆ่าคนให้วุ่นไปหมด พอมาเจอพระพุทธเจ้านี้พอได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็สานึกผิดทันทีว่าตนเองมีมิจฉาทิฏฐิก็เปลี่ยนเอามิจ เ, เอาสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็รีบสร้างบุญสร้างกุศลจนได้เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาจิตก็เลยเปลี่ยนจากการเป็นอบายไปสู่การเป็นนิพพานไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ แล้พอพอจิตเป็นอะไรไปแล้วไปตายแบบไหนจิตมันก็ไม่ได้เปลีปย่ยนแปลงสภาพของจิตดวงนั้นอย่างสัจิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรสมมติคุณตายตอนนี้จิตของคุณก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจิตของพวกเราทุกคนตอนนี้มีสถานภาพเหมือนกับสถานภาพการเงินของพวกเราทุกคนมีหนี้ทุกคนมีเงินฝากเรารู้ว่าเรารวยแล้วเราจนขนาดไหนคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ ฉันใดใจของเราตอนนี้เป็นสวรรค์หรือเป็นอบายนี้เรารู้ถ้าเราศึกษาธรรมเราจะรู้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมเราจะไม่รู้เพราะธรรมนี้เป็นเหมือนกระจกสองใจเราถ้าเรามีธรรมนี้เราจะรู้ ท, ทันทีว่าใจเราตอนนี้มันเป็นเดานหรือเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยบุคคลมันจะรู้ถ้ามีธรรมศึกษาธรรมเอาธรรมมาสองใจดู สาธุครับอาจารยออ์มีข้อสงสัยเพิ่มเติมที่ อ, อาจารย์พูดถึงองคุริมานนะครับเนื่องจากว่าก่อเวง mm hmm. ก่อกรรมไปเยอะแปลว่าเขาคงสั่งสมบุญมาหลายภพหลายชาติแล้วถึงสามารถที่จะบรรลุ mm hmm. ได้โดยฉับพันนะครับก็ต้องมีมีพลังต้องมีคุณธรรมเพียงแต่ว่าตอนนั้นใช้คุณธรรมไปในทางที่ผิด มีวิริยะมีสติคนที่ไม่มีสติไปฆ่าคนอื่นไม่ได้คนที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่มีความสามารถที่จะไปฆ่าคนอื่นได้เพียงแต่ว่าใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิไปในทางที่ผิดเพราะมีมิจฉาทิฏฐิหลงผิดคิดว่าเป็นทางสู่นำไปสู่การหลุดพ้นไปสู่การบรรลุธรรมเพราะได้อาจารย์ที่ไม่ดีมาเป็นผู้สอนผู้บอกทาง พอได้อาจารย์ที่ดีที่สอนที่ให้ถูกทางก็เปลี่ยนทางใหม่ถ้าเป็นขับรถก็ยูเทิร์นว่าไปผิดทางแล้วต้องไปอีกทางหนึ่งวงกริมานก็เลยยูเทิร์นยุติการเข็นฆ่าผู้อื่นแล้วก็มาฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของตนจนหมดสิ้นไปเพราะมีพลังอยู่แล้วมีเครื่องมืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าไปฆ่าผิดคนไปฆ่าผิดเป้า สิ่งที่ควรฆ่าก็คือกิเลสตัณหากลับไปฆ่าคนสาธุครับอาจารย์ขออีกข้อ น, นคะครับอาจารย์อาจารย์ฟังเทศะ้าจานเนี่ยก็คือว่าคนเราเนี่ยเวลาทำทาทาบุญทำบาปก็จะมีที่ไปนรกสวรรค์ทีนี้มีมีจาพวกหนึ่งที่เขาตายแล้วยังไม่ได้ไปเกิดนะครับยังไม่ถึงเวลาเกิดหรืออะไรผมก็ อยากจะขอความกระจ่างอย่างที่เรียกสัมภเวสีพวกนี้นะครับไม่ทราบว่ามันเกิดเป็นข้อยกเว้นหรือหรืออะไรที่มีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งครับผมอาจารย์คําที่ว่าไม่เกิดในส่วนใญ่เราหมายถึงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ได้กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ความจริงพอตายปั๊บมันก็เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นไปแล้วเช่นสัมปเวสีนี้ก็เป็นพวกเปรตอย่างนี้ก็เป็นเปรตอยู่แล้วถ้าเป็นอนุส ร, รากายก็เป็นอนุส ร, รากายอยู่แล้ว มันเกิดอยู่แล้วไงเพียงแต่มันเกิดในภพของเขาในตามสภาวะจิตของเขาจิตเขาเป็นเปรตเขาก็เกิดเขาก็ไปเป็นเปรตจิตเขาเป็นเดรัจฉานเขาก็ไปเป็นเดรัจฉานเกิดทันทีพอตายไปแล้วนี่ก็ก็เป็นไปทันทีพอจากร่างมนุษย์ไปนี้ก็เป็นไปตามที่จิตเป็นความจริงเป็นไปตั้งแต่ก่อนตายแล้วแล้วจึงมีคำพูดอยู่เรื่อยๆใน ที่พูดว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาใจนี้เป็นไปแล้วตามตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้แล้วเพียงแต่ว่าพบเก่าคือร่างกายนี้มันยังติดชันอยู่เท่านั้นเองพอร่างกายนี้มันมันหมดไปมันก็เป็นไปเต็มร้อยเป็นเต็มรูปแบบไปถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาเต็มรูปแบบไปถ้าเป็นพรหมก็เป็นพรหมไปเต็มรูปแบบไป มันเป็นที่จิตไม่ได้เป็นที่ร่างกายงั้นถือว่าพอตายปั๊บก็ไปเกิดแล้วทันทีสาธุครับหมดคำถามคำถามจากเฟ e บุ๊กค่ะคำถามแรกจากคุณธนพัฒนสุกแก้วค่ะการเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการแผ่เมตตาเจ้าค่ะ เราควรแผ่ก่อนหรือหลังปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะคือการแผ่เมตตานี้ก็คือการแสดงไมตรีจิตความมีความปรารถนาดีความรักต่อผู้อื่นต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันยั่งเวลาแผ่ก็ต้องมีคนรับถึงจะแผ่ได้และคนที่จะรับก็คือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ที่เราพบปะกันยิ่งเวลาเราไปเจอใครที่ไหนเราก็ควรที่จะแผ่ ทักทายกันสวัสดีโอภาปาศยมีสัมพันธไมตรีที่ดีมีอะไรพอจะแจกกันแบ่งกันแบ่งปันกันได้ก็แจกกันไปนี่คือการแผ่เมตตาการที่เราปฏิบัติทำนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเรามานลักษสวดสัพเพสตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตานะ เมื่อถึงเวลาที่เราเจอกับบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลหรือแม้แต่ถ้าเป็นกายทิศก็เช่นเดียวกันอย่าแผ่แบบขอให้เขาไปหายไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าแผ่ถ้าแผ่ต้องให้เขาอยู่ต้องสนทนาปลาสายกับเขาถามว่ามีอะไรเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเดือดร้อนหรือเปล่าต้องการให้ช่วยหรืออะไรหรือเปล่าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแผลไม่ใช่สวดสเปส สัตาไปไปไปอย่างนี้ไม่ได้แผลที่ให้สวนนั่นก็เพื่อเป็นการสอนใจเตือนใจว่าต้องเจเริญเมตตาแล้วก็ลองซ้อมดูถ้าเรามีปัญหาเรื่องการแผลเมตตากับบุคคลใดล้วก็ควรที่จะซ้อมกับบุคคลนั้นเช่นเรามีคู่อริที่เราแผ่ไม่ออกเพราะเขาทาให้เราเจ็บช้ำน้ำใจ เราก็ต้องนึกถึงภาพเขาตอนที่เรายังไม่เจ็พบกับเขาแล้วก็พยายามส่งความเมตตาให้กับเขาภายในใจซ้อมไปก่อนเผอเวลาเราเจอกับเขาโดยตรงเราก็จะได้แผ่ให้กับเขาได้คืออย่างน้อยก็ถ้าเราแผ่ไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ให้ระงับความโกรธความเกลียดไว้เวลาเจอเขาก็อย่าแสดงอาการาโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมา อย่างน้อยก็ให้อยู่ในอุเบกขาไว้คือให้นิ่งเฉยไว้ถ้าเราไม่สามารถที่จะยิ้มให้กับเขาทักทายเขาหรือมีขนมนมเนยแบ่งให้เขากินก็อย่างน้อยก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปด่าอย่าไปจองเวรกันอันนี้ต้องซ้อมไว้ก่อนเนี่ยถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนเวลาเจอหน้ากันอารมณ์เก่ามันก็จะเกิดขึ้นมามันจะทนไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะด่ากันว่ากันทุบตีกัน แต่ถ้าเราซ้อมอยู่เรื่อยๆฝึกอยู่เรื่อยๆเหมือนกับนักมวยก่อนที่จะขึ้นชกบนเวทีก็ซ้อมไว้ก่อนพอขึ้นบนเวทีพอเจอคู่ต่อสู้ก็จะได้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ฉันั้เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับบุคคลที่เรามีปัญหาด้วยฝึกซ้อมแผ่เมตตาไปเรื่อยๆตอนที่ยังไม่ได้พบเขาแล้วพอพบเขาแล้วก็จะได้ทําได้ วิธีเยียแผ่เมตตาท่านก็สอนว่าให้เอาเราให้คิดถึงคนที่เรารักเราชอบก่อนเรามีความรู้สึกกับคนนั้นอย่างไรแล้วเราก็เปลี่ยนภาพของคนนั้นมาเป็นคนที่เราไม่ชอบแล้วพยายามรักษาความรู้สึกที่เรามีให้กับคนที่ชอบนั้นอยู่ต่อไปพยายามรักษาความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็เอาความรู้สึกที่ที่เรามีต่อคนชอบมาให้กับคนที่เราไม่ชอบ ถ้าเราฝึกเราทำได้เพราะใจนี้เป็นสิ่งที่เราสอนได้ค่ะคำถามจากผู้ฝากถามค่ะในอดีตเราเคยปฏิบัตินั่งสมาธิจนจิตสงบได้หนึ่งครั้งรู้ว่าไม่มีตัวเรานั่งอยู่เห็นเป็นแค่ดวงขาวๆสว่างๆลอยอยู่นิ่งๆประมาณสองชั่วโมงแล้วจิตก็ถอนออกมาเอง ในวงเล็บคือก่อนจิตจะรวมแบบนี้ได้นั่งเพ่งหน้าพระพุทธรูปอยู่ประมาณส0สบนาทีแล้วจิตก็ดิ่งเข้าไปโดยอัตโนมัติคำถามคือเราเคยเข้าสมาธิแบบนี้ได้แล้วเราควรใช้เส้นทางเข้าสมาธิแบบเดิมไปเลยจะดีกว่าไหมคะเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าการเพ่ง จะถูกจริตของตนเองมากกว่าแบบที่ต้องภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจเจ้าค่ะคือเราก็ทําแบบที่ทําให้เราได้ผลนั่นแหละแบบไหนที่ทําให้เราได้ผลเราก็ใช้แบบนั้นเพราะการทําใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40นี้ก็เป็น40วิธีที่จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ดังนั้นถ้าเราไม่ถูกเราไม่สามารถทำใจให้เข้าสู่การสงบด้วยการบริกรรมพุทธหรือด้วยการดูลมหายใจแต่เราสามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ด้วยการเพ่งพระพุทธรูปเราก็ทำแบบนั้นไปเพียงแต่ว่ามีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ควรจะระวังก็คือขณะที่เพ่งก็อย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้ในอดีตผลที่เคยได้ข่าวที่แล้ว แล้วเกิดความอยากให้ม like ันเป็นอย่างนั้นอีกถ้าไม่เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาในขณะที่เราเพ่งดูพระพุทธรูปจิตมันจะไม่รวมเพราะมันไม่ได้เพ่งเพียงอย่างเดียวไม่เหมือนกับครั้งแรกครั้งแรกนี้เราไม่มีอดีตเราไม่เคยรวมมาก่อนเราก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้ไปคิดถึงมันเราก็เพ่งอยู่กับพระพุทธรูปเพียงอย่างเดียวถ้าเราอยู่กับพระพุทธรูปเพียงอย่างเดียวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้ว แต่ถ้าเพ่งไปแล้วก็นึกถึงผลที่ได้จากการเพ่งข่าวที่แล้วแล้วก็มาวิพาควิจารณ์ว่าเอ๊ะมันทําไมยังไม่ได้สักทีอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะได้เพราะมันไม่ได้เพ่งที่พระพุทธรูปเพียงอย่างเดียวแล้วมันเพ่งไปวิภาควิจารณ์ไปกับผลที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วกับความอยากที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย มันก็เลยทำให้ใจไม่ไม่เป็นหนึ่งแล้วมันเป็นหลายมีความคิดปรุงแต่งมีวิตกวิจาร์มีการวิภาควิจาร์มันก็เลยจะไม่มีวันที่จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ต้องทาเหมือนครั้งแรกก็คือให้เพ่งอยู่แต่พระพุทธรูปเพียงอย่างเดียวคำถามต่อมาเหมือนพระอาจารย์ตอบแล้วค่ะคำถามต่อมาคือเราต้องจาเส้นทางเดิม ที่เราเคยเข้าสมาธิได้ใช่ไหมคะก็แน่นอนเหมือนกับเราเดินไปเข้าห้องน้ำครั้งที่แล้วเข้าไปเดินไปทางใน <c oughs> ครั้ง <c oughs> ครั้งต่อไปเราต้องการเข้าห้องน้ำล้วก็ไปทางเดินไม่ใช่เหรอคำถามต่อมาจากท่านเดิมคะ่ะการที่เรามีจิตฟุ้งซ่านมากการบริกรรมแบบปัญญาอบรมสมาธิโดย พิจารณาดูอวัยวะในแต่ละส่วนของร่างกายไล่จากศีรษะลงปลายเท้ากลับไปกลับมาเรื่อยๆจนจิตสงบเข้าสู่สมาธิทำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถ้าเข้าสู่ความสงบก็ถูกต้องการพิจารณาอวัยวะอาการส2สองนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปัญญาก็ได้เพราะเราดูความจริงดูอสุภะดูความไม่สวยงามดูอนัตตา ดูว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนมีเพียงแต่อาการ32แล้วใจไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆนานาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ขอให้ดูที่ผลก็แล้วกันต่อมาคือพอจิตเริ่มเข้าสมาธิเริ่มไม่ฟุ้งซ่านค่อยมาเพ่งหรือบริกรรมพุทโธทต่อไปอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะก็ได้คือะงับตอนต้นเราใช้ปัญญาระงรับความฟุ้งซ่านก่อนก็ได้ ถ้าใจเราไปคิดถึงความสวยความงามของร่างกายของคนนั้นคนนี้แล้วเกิดอาการกระสับกระส่ายขึ้นมากวนกวายก็พิจารณาดูอสุภะของบุคคลต่างๆไปพอเห็นไปจนกระทั่งจิตก็ระงับจากความกระสับกระส่ายความฟุง้งซ่านแต่ยังไม่รวมเราก็มากำหนดดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธต่อไปสุดแท้แต่ว่าจะใช้แบบไหนที่ถูกจริตกับเราก็ใช้ไป คำถามต่อมาจากผู้ฝากถามค่ะในฐานะผู้เป็นแม่พยายามพาลูกมาวัดบางครั้งลูกก็เต็มใจบางครั้งลูกก็ไม่เต็มใจควรจะพยายามต่อไปหรือไ ม, ม่อย่างไรคะก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั้นถ้าไม่สําเร็จก็อย่าไปโทษตัวเราก็แล้วกันโทษว่ามันเป็นธรรมในสิ่งที่มันสุดวิสัย เช่นพยายามที่จะทำาทาอะไรปั้นน้ำให้เป็นตัวขึ้นม า, ามันทาไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันสุดวิสัยที่จะสอนถ้าอยากจะดึงใจดึงลูกให้เข้าสู่ธรรมถ้าเขาไม่ยอมเข้าเมื่อเรารู้แล้วว่ามันทํายังไงก็ไม่เข้าเราก็ต้องยอมรับความจริงนั่นไ ป, ไปไนมีใครอยากจะถามต่ออีกไหม ใ ห, ให้เวลานับหนึ่งถึงสิบนะ <c oughs> เผือกลยยังอยากจะมีก็สงสัยอะไรก็แสดงว่าทุกคนมี่ยกมือขึ้นมาแนละ้วกล่าวมาสักการพระอาจารย์ค่ะเออเวลาที่ เ, เราปฏิบัติธรรมอะค่ะ เราจะรู้สึกว่าเอาจิตเป็นสุขสงบทีนี้เพื่อนก็มักจะชวนไปทำทานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าพอไปแล้วมันก็วุ่นวายเ้วก็เฉยเฉยอะค่ะนี่เขาก็จะพูดทำนองว่าเอออย่างเงี้ยเราไม่มีบารมี <c oughs> <c oughs> ขอคำแนะนำพระอาจารย์นะคะก็พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรม ให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพียงอย่างเดียวเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีคุณค่ากว่าธรรมถ้าเพื่อนชวนเราไปแล้วไม่ไปแล้วเรากลัวจะเสียเพื่อนก็ให้เสียไปถ้าสามีชวนไปแล้วเราไม่ไปจะเสียสามีก็เสียไป <laughs> เพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียคนที่จะไปทางนี้จะต้องเสียทุกอย่างถึงจะไปได้ อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่านิพพานอยู่ฟากตายถ้าไม่ยอมตายถ้าไม่ยอมตายจากทุกสิ่งทุกอย่างไปจะไปไม่ได้เพราะนั้นเราต้องยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารับรองได้เราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้ข้างหลังมีไหมเห็นไม่มีอะค่ะ ท้าไม่เมีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจนะิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด